ต่ออีกเราก็ได้สาธยายพระสูตร่าชื่นใจเหมือกับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเราสัมผัสในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดง ในความสำเร็จนั่ก็ว่ามีหวังน้อมนำมาใส่ตัวเราน้อมตัวเราเข้าไปหาทำด้วอความพอใจในความสำเร็จนี้ถ้าว่าโดยย่อก็ไม่มากดังที่เราสาธยายพระสูตร สรลบแล้วมีเพียงสี่ข้อการกระทําที่เกิดความสำเร็จมีสันทะพอใจ <Okay. S 1> ต่ค อ, อ ง, ต, องต้องกิยตไว้เพื่อยัง ก, กุศลที่ยังไม่ที่เป็นบาปไม่ให้เกิดขึ้นทำยังไง ฉันทะยังยังทำประคองตั้งกิจว้เนะี่ยเพื่อยังอกุศลที่เป็นบาปไม่เกิดขึ้นฉันทะพอจอยตั้งกิจวเ้เพื่อทำกุศลที่เพื่อทํากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นอีก ฉันทาพอใจถ้าจะพูดเล่าเกิละความชั่วด้วยความตั้งใจามความดีด้วยความตั้งใจแล้วมันหลงตั้งใจเปลี่ยนหลงไม่ให้เป็นหลงมาพร้อมกันเลย มีสติแล้ว<ม>ก็ละความชั่วมีสติก็ทำความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์ไม่ยากเหมือนกับนัดเนว้อเมื่อเลยทีเดียวทำได้จริงๆขอมีส่วนร่วมกับพวกเราที่กำลังทำอย่างนี้อยู่ขอเป็นของเขียให้วิริยะ ฉันทะวิยาเพยียนที่อย่าทอดทิง้งประกอบเพาว่าเพียนคือประกอบเมือนกับเราประกอบการงานนั่นแหละอย่ยาทอดทิง้งอย่าทิ้งทุนละเพยียนประกอบคิดตเอื้อใจใสเอื้อใจใสอยู่เสมอ ไม่หนีหางม่กันเรารับผิดชอบซะรับผิดชอบพ่อแม่เอาใจใส่อยู่เสมอให้อยู่ข้างหน้าเราอยู่เสมอพ่อแม่รับผิดชอบเอาใจใส่อยู่เสมอต่อลกูกปัญญาสามีรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อกันอยู่เสมอเพื่อนมิตรเอาลับผิดชอบเอาใจใส่ อะไรที่ป้องกันแจ้ไขช่วยอยู่เสบบาอเรียกว่าจิตตะสิ่งที่ทำลงไปด้วยฉันทะวิยาจิตตะแล้วก็ดูฤสีว่ามันถูกหรือผิดเรยว่าแยกอยู่ความหลงถูกทองไหมความไม่หลงถูกทองไหมนั่นเรียกวิมังสาคือความขบเคี้ยวคือเคี้ยวคือแยกแยะ มันเป็นอย่างไรเป็นธรรมไหมไม่เป็นธรรมไหมระหว่างถิงงท่เราได้สัมผัสในกุศลในอกุศลในเรามีความเพียรไหมนี่คือคือ ม, คนะมันคิดถึงนะคิดถึง คนอื่นสิงี่เราทำแบบ น, นี้ทำเราเป็นงานประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปในตัวเสร็จเราทำอะไรเรามีอะไรแล้วก็มีแั้ก็รักษาสิ่งด้านป้องกันสิ่งนั้นแก้ไขสิ่งนั้นสิ่งที่เราทำกับสิ่งด้านเป็นอย่างไรเลีนเรา ทมกับความดีความดีอาจจะช่วยเราเราลักษาศีลศีลจะช่วยเราเราไม่สมาธิสมาธิจะช่วยเราเราไม่ปัญญาปัญญาช่วยเราคุ้นเคยกันเพราะมีคุณงั้นเราเลี้ยงหมาหมาก็ลักเรา เราเรื่องวัวเรื่องควายขัควควายก็รักเราเรื่องเป็ดเรื่องไก่เป็ดไก่ก็รู้จักเราแล้วก็รับผิดชอบกันได้เอาได้เกี่ยวย่าให้วัวให้ควายกินแล้วก็เป็นความถูกต้องเราก็ชื่ในใจสิ่งที่เราทำลงไปอันนี้เราช่วยเราแท้แนะ้น่ะ เราช่วยคนอื่นแต่แท้ในเกี่ยวของคนอื่นมันมีชีวิตชีวานะเอาเลยจนตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาเนาะมันเจ็บก็จะช่วยมมันเกิดก็จะช่วยมันเจ็บก็จะช่วยมันจะตายก็จะช่วยตายแล้วก็ยังช่วยนี่คือน้ำใจ ขอน้ามใจได้ ว, ว่าฉันทะมีน้ามใจอย่าเหือดแห้งเรี ว, ว่าไม่มีขอบเขตดน้ามใจเพศนี้มันกระจายไปหลายอย่างถ้ามีฉันทะแล้วความพอใจแล้วนะี่ะในความเพียรแล้วเนะ่เห็นต้นไม้เหี่ยวก็มีน้ามใจ เห็นน้ำคุณก็มีน้ำใจเห็นอะไรที่ไม่ดีมีน้ำใจอยากจะทําให้ดีเนี่ยอยากจะทําให้ดีทําไมจึงมาทะเลาะกันเบียดเบียนกันปล่อยกันทิ้งทั้งหมดทิ้งกันเขามีส่วนร่วมผู้ที่หลงว่าไม่หลงก็ได้อยู่นะขาบอกถ้ามีทุกข์ไม่ทุกข์ก็มีอยู่นะ ขอมีส่วนร่วมขอช่วยแต่ใครหลงขอช่วยเถอะไม่หลงก็ได้แต่ใครทุกข์ขอช่วยเอถอะนะไม่ทุกข์ก็ได้อะไรที่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็ได้เป็นปัญญาก็ได้อันวางได้ไมาหยุดได้่างเนี้ยชีวิตเรามันประเสริฐแบบนี้จริงๆนะกระตือรือร้น โอ้ยจะไปบอกใครน้เนี่ยไปบอกพ่อแม่นะพอได้ยินหลวงพ่อเที่อนสอนเราก็ทําตามโอ้ยอย่างนี้ก็มันก็ทําได้เนี่ยจะไปบอกพ่อแม่เราตนะอนพ่อก็ตายแลย้วแม่ก็ยังไม่ตายเฮ้ยจะบอกแม่เราเนะี่ยพอมาทําอย่างนี้ก็คิดถึงแม่คิดถึง ที่น้องคิดถึงอะไรคนไหไรที่คนที่เราเคยโกรธก็คิดสงสารทันดีเลยโอ้เราเข้าใจผิดไปก็พภัยเด้อมึงก็ยกมือไหวในใจมันลึกซึ้งเนาะแล้วก็บอกจริงๆนะอยากอยากบอกก็ไม่มีรสชาติ มันมีรสชาติบอกให้คนรู้สึกตัวเวลาคนหล ง, ลงเปลี่ยนให้ไม่หลงมีรสชาติถ้าช่วยอย่างนี้มันก็ทาหน้าที่มนุษย์คนหนึ่งเราไปต้องทอดทิ้งกันเหมือนเหมือนเขาว่า แม่ห่วงใยลูกอยู่ตลอดเวลาห่วงใยตลอดเวลาได้เลยมาคิดถึงลูกก่อนได้เลยมาคนที่เราลักเราต้องให้คนนั้นทีนี้ธรรมะไม่ลักแบบนั้นลักคนทั้งโลกรักทุกสิ่งทุกอย่างลักเม็ดดินเม็ดหินเม็ดทรายลักทุกอย่าง ลักก็มาใชลักเฉยช่วยเหลือฉันถทาพอใจได้ช่วยเรารู้สึกว่ามันมันมีรสชาติได้ช่วยอะไรที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นมาเนี่ยเห็นไก่น้อยขึ้นต้นไม้ไม่ได้กับแม่ก็ยังคิดช่วยอยู่ช่วยยังไงหาหาหมาไม่ไปพาดตรงใดตรงหนึ่งเพราะว่ามันปีนขึ้นไปได้มันก็ไปีนขึ้นไม่ได้ ไม่ได้ทอดทิ้งบางทีเรามีตาเรามีหูมีจมูกได้ายใจเป็นอุปกรณ์เครื่องมือให้เราได้ทำความดีแต่ถ้าเราไม่ได้มีความเพียรมีตามีหูมีจมูกได้าจใจมีรูปรถจินเสียงก็เป็นวัตถุแห่งเกิดกวามมกุฎได้ชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้นะ เราจะใช้ชีวิตเราไปเภทอย่างไหนอย่างไ ร, งไรใช้ชีวิตอย่างไหนแต่ใช่ผิดต้องก็สําเร็จแต่ใช่ถูกก็สําเร็จโดยเพราะการปฏิบัติธรรมสติเป็นคู่มือของการใช้ชีวิตที่ทําให้สําเร็จได้เหมือนคู่มือการแพทย์คู่มือการเกษตรคู่มือ ทาอาหารอะไรต่างๆน่ะเป็นสูตรสําเร็จได้เราใช่ไหมไหนใช่ยังไงหรือฟรีไปเลยชีวิตเนี่ยเราไดมาก็ฟรีไปเลยหรือแล้วแต่มันจะใช่เราหรือเราใช่มันหรือมันใช่เราชีวิตเราเนี่ยตาเห็นลูกพอใจไม่พอใจอ่ะมันใช่เราแล้ว ตาใช่เราเราถ้าเราใช่ตาเห็นรูปเห็นกายเห็นเลยก็ถูกต้องไม่ไปถึงความพอใจไม่ไปถึงความไม่พอใจตกลงที่นั่นสำเร็จแล้วได้ประโยชน์เพื่อทำให้เกิดความดีไม่ไปถึงอกุศล โดยเฉพาะการปฏิบัติทำใ น, นสัน้นๆเหมือนกับก้าไปทีละก้าวทีละก้าวแต่เหมือนได้มากก็เหมือนเจ็บเอาเงินเอาเงินทีละได้ทุกข้างทุกครังมันไม่ได้ฟรีชีวิต ท, ที่เราฟรีม า, ามันน่าเฉียได่า ย, ายตาใช้หูจูบดิ้นกายใจ ใช้กายยังไงเดินยังไงใช้ใจยังไงคิดอะไรได้ประโยชน์จากการคิดไหมได้ประโยชน์กับกายที่มันทำอะไรไหมเราก็ได้แต่อาจจะได้แต่ความหลงหรือ แ, แต่ปัญหาไม่ค่อยเกิดปัญญาวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ดีคิดชีวิตของเรา ถึงจุดหมายปลายทางปลายทางของควิตคือตลาดวิมุตต์หลุดพ้นปลายทางมั น, มนอะไรก็หลุดพ้นพ้นอะไรพ้นจากปัญหาคือปัญญาอาการหลุดพ้นนี้ แล้วบา ง, บางที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ได้เอาความยากความสะดวกมาต่อรองความยากเลยความตายไม่มีความหมายหลายทางกระจุดหมายความตายไม่มีค่าอะไรความยากไม่มีค่าอะไรสาหรับเราความทุกข์ความลำบากไม่มีค่าอะไร บางคนก็เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธจนนี่ลาบากเอาความลาบากทาไปได้ทาไปได้ให้ความให้ความใ ห, ให้การทำไปได้มันมาขวงกันมันต้องได้นี่คือความยากลำบากมันมีค่าสำหรับผู้ที่ ถึงจุดผู้ที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางมันหลงเปลี่ยนไม่หลงมันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธนี่ยบางคนก็พอใจในความโกรธไม่อยากวางไม่อยากทิ้งทําไม่ได้ตามใจไม่ได้ของง่ายกลายเป็นของยากผู้ที่มีคกมเพียรมี ฉันทะมีวิเละมีจิตตะวิมังสาเนีมันเป็นของง่ายๆเกริมดีทำได้ง่ายเกรมชั่วทำได้ยากนะเป็นการกระตือรือร้นเมื่อเกรมขยันขยันคือความเพียรภาวนาคือใจใจคือเพียรอยู่เสมอ ไม่ใช่ความเพียรคือค่อยๆเดินย่องย่อ ง, องไม่ใช่แบบนั้นความเพียรมันต้องตรงอะ ง, งอะไรทุกความมองอดเห็นผิดเป็นบันดิ ต, ดตถ้าเห็นมันผิดเห็นทุกเป็นบันดิตถ้าเป็น สุขเป็นทุกข์อาจจะเป็นคนพลานได้ถ้าเราฝึกดีไม่ไ ม, ไม่ทิ้งลีลาในการเปลี่ยนรายเป็นดีไม่ทิ้งลีลาเลยจะงางามอยู่เสมอในโลก สง่างามในโลกโลกคือมีรสชาติิ น, นทาสนเสน์สุขทุกคนที่ฝึกชีวิตมาดีนสง่างามอยู่ตรงนี้ไม่หวั่นไหวต่อโลกง่ายๆจึงจะ ถึงความหลุดพ้นเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายต้องไปแบบนี้นะนะการนี้นจะไปสู่เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายได้มันต้องมันต้อ ง, องเปลี่ยนอะไรทั้งหลายทั้งหลายจาก ท, ที่เราสาธทยะพิสูจน ในความนชนทะในวิริยะนิจิตตในวิมังสามันเป็นตัวปฏิบัติสรุปแล้วมันคือตัวปฏิบัติคือตต้ตอบทอกท่วงตรวจสอบไม่เป็นอะไรนี่จะเห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่เรียกว่าเป็นมากเป็นผลทันที เป็นเหตุเป็นผลทันทีหลงเป็นเหตุไม่หลงเป็นผลทันทีทุกเป็นเหตุไม่ทุกเป็นผลอะไรจอก็ตามที่มันเป็นเหตุเป็นเหตุทั้งหลายเปลี่ยนร้ายเป็นดีทั้งหลายแล้วย่อทุกเสียงทุกเสียงเกิดแต่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุ กาถาปาชกิษสอนชาริบุตรน้าเท่านี้ดวงตาเห็นธรรมแล้วกระตือรือร้นแล้วมองทะลุทะลวงแล้วโอ้อะไรอะไรก็ทำเกิดที่เหตุดับที่เหตุพอแล้ววนเป็นคู่มือแล้ววันเป็นคู่มือใช้ชีวิตได้ยอย่างดีที่สุดแล้ว เยธรรมมาเหตุปปปวัติสังเหตุตถาคตูเนี่ะตถาคตสอนอย่างนี้เรารู้อย่างนี้ได้ฟังอย่างนี้ก็พอใจแล้วเอามาทำดูเป็นเรื่องของเราอยู่นะหลงเป็นเหตุไม่หลงเป็นผลทุกเป็นเหตุให้ทุกเป็นผล ที่ทำเหตุทำผลอย่างนี้ประกอบด้วยอะไรก็ฉันทาเิียจิตตวิมังสาทําให้สําเร็จเปลี่ยนโค้งหลงไม่หลงสําเร็จทุกทีไม่มีไม่มีการบา้านไม่มีข้างขาเปลี่ยนโกรธเป็นโกรธไม่ไม่ผิดสักทีเปลี่ยนได้ทุกทีเปลี่ยนได้ทุกที ถุดพ้นทุกทีนี่คือหลุดพ้นวิมุตต์จดหมายไปทางควิมุตต์ศาสนาพสัสสมาสัมพุเช้านี้ไม่ใช่ลาบจากละยางเสริญเยินยอไม่ใช่จากเจ้าลัทธิพกพ้องบริวารแต่เป็นความลุดพ้น นี่คือทำไม่วินยัยนี่คือวิเศษนิยาไปสู่ความหลุดพ้นอย่างวิเศษจนหนวควางเกิดเจ็บตายพอไปถึงไม่เมื่อมีเกิดต้ก็มีควาไม่เกิดทําเป็นแล้วเมื่อมีแจ็ต้องไม่ควาไม่แจ็เมื่อมีเจ็บก็มีควาไม่เจ็บ เ, เ, เ, เมื่อมีตายก็มีควาไม่ตายมันจะชํานาญที่ตรง น, นั้นละบัด มุ่งไปสุดตรงนั้นหลยสุดหมายปลายทางคตรงนั้นจบระชีวิตวันนี้ยทำไมก็ไม่ไม่มีภบอีกในเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ความตายไม่มีภบตรงนี้แล้วจึงได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าศาสนานี้ศาสนาแห่งชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะ หนอการเกิดเจ็เจ็บตายถ้าไม่เหนือการเกิดเจ็เจ็บตายไม่ไม่ต้องเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระเจ้าอะไรก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้งั้นเกิดมีศาสตาทั่วท่วไปศาสดาทั่วไปแปลว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่หนูเหนือการเกิดแจ็เจ็บตายมีเท่านี้ชีวิตเรา อะไรที่มันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันเกี่กกยวข้องกับวันลายเริ่มต้น จ, กจากการปฏิบัติในขก้วแรกเหมือนกับก้าวไปก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางมีสิ่งที่เราได้ก้าวข้ามไปอะไรบ้างข้ามอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างในโลกนี้ เรื่องกายมีอะไรบ้างเอากายม่เป็นภพเป็นชาติมีไหมเป็นภพเป็นชาติในกายเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำแต่ ว, ว่ายัางไงต่อไปอกายนี่มีตัวไม่ตนไหมหรือสักว่ากายกายสึกากายไม่ใช่ฉัดพวกคนัวตนเราเขาเมื่อกายมาแสดง อ, อก ข้ามไปแล้วจนถึงความไม่สักวากายไม่ใช่กายศักวากายไม่ใช่สัตว์ปุกคนตนตนลรเขานั่นข้ามไปแล้วกายมีกายเดียวแต่กายในกายมีหลายกายกายนี่เป็นกายเรียกว่ามหาพุทรูปเป็นกายเป็นรูปที่อาศัยให้แล้วความช่วยทำความดี เดบมมหาพุตธลูปที่นี่กายในกายม่อุปทายารูปอุปทายารูปมันไม่เกิดอีกในกายเห็นกายทั้งในกายทั้งหลายอยู่เป็นประจำเรียกว่าอุปทายารูปอุปทายารูปคืออะไรคือกูเกิดซ่อนอีกที่หนึ่ง กูเจ็บกูร้อนกูหนาวกูปวดกูมว่ยกูหิวกูอะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกในกายเป็นภพเป็นชาติไม่ใช่แบบนั้นถ้าเห็นสัจพะกายไม่ใช่จัดบุคคลค ต, ตลัวตนลราเขาจะบักเก่าไปแล้วถ้าเอากายมันเป็นภพเป็นชาติเป็นมหาภูตา ร, รูปมันไม่จบมันก็มีภพ็นชาติ อยู่ในกาในเวทนาคือสุขทุกข์ทั้งหลายเวทนาดำทั้งหลายเป็นสุข ก, ก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่สุขไมทุกก็มีในความพอใจในความชอบในความไม่ชอบก็มีอย่าไปอย่าให้มาเกิดพบนี่อีกเห็นจากว่าเวทนาจนไปเห็นรูปเห็นนาม ง่ายๆป่ะเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าสุขไม่ต้องเรียกว่าทุกข์เรียกว่าอาการที่มันเกิดจากกายจากจิตนี่รบบเป็นธรรมเป็นอาการไม่ใช่สุขใช่ทุกข์ไม่ต้องเรียกว่าสุขว่าทุกข์ป่ะเนี่ยเรียกเป็นอาการเกิดกับกายกับจิต กายก็มีกว่ากายเท่านั้นจิตก็เฉพาะจิตเท่านั้นที่มันเกิดเป็นอาการมีมากเป็นภพเป็นชาตินี่เลย ว, ว่าง่ายๆไปแนวเนถ้าเรียกว่าอาการเหลาง่ายง่ายๆเหมือนของหนักเป็นของเบา แต่ถ้าได้ว่าสุขว่าทุกมันมันหนักอุปทายะอุปทายรูปถ้าเป็นเป็นสุขเป็นทุกข์หรอเปเป็นอุปทานถ้ามีสุขเป็นทุกข์หรอกมีพบมีชาติเป็นเป็นชาติ ก็ไม่มีพบมีชาติก็ไม่มีสุกไม่ทุกข์ที่เรียกว่าทำทั้งหลายเมื่อไม่มีสุกไม่ทุกข์ยางบุปเจ้าตนจับปริพาคือทำอย่างไงในฌานสมบัติพอเราสุกล้วทุกข์เสียได้ มีอะไรอีกต่อไปมีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่สติไม่ใช่สติทำนาเป็นสติปฐานสติคุงกบเนิดของภพของชาติกำเนิดของภพของชาติคือตัวคือตนไม่มีภพในแบบนี้นะวาชิ้นภพชิ้นชาติ นี่เป็นจุดหมายปลายทางเมื่อเอาเรื่องนี้ไปสอนคนอื่นโอ้ยจะไปบอกใครนู้นเนี่ยมันน่าจะบอกใครจะบอกคนนะเนี่ยเรื่องของคนจริงๆนะเนี่ยจะไปบอกใครเหมือนเราได้อะไรดีๆมาคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงเพื่อนถึงมิตรถึงใคร คนที่จะพอผู้ฟังเรื่องนี้ได้คือใครโน้เนี่ยมันก็ไปเองไป เ, เป็นประโยชน์โจโลกเรียกว่าโลกาทิปไตยะไปเลยอธิปไตยโตโลกเพื่อธรรมมาทิปไตยะเพื่อเป็นธรรม ไม่เกิดความเป็นธรรมต่อโลกขึ้นมาทันทีไปเลยทีเดียวไม่มีคำสั่งอะไรที่ไหนมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่มันเป็นงานของขอ ง, ของชีวิตเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงมันเปลี่ยนมันเป็นชีวิตชีวาเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์จน อยูเหนือก่อนเคยเจ็บเจ็บตายคือชีวิตชีวิตไม่ไม่ต้องเป็นอะไรถ้าเป็นอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตชีวิตไม่มีอะไรไม่ไม่มีในสุขไม่มีทุกข์เรียกว่าชีวิตไม่มีอะไรแต่ต้องรายยิ่งใหญ่ก็ว่าไม่เป็นอะไรเหนือสุขและทุกข์ยิ่งใหญ่มาก เป็นความยิ่งใหญ่ในชีวิตมีจะเห็นก็เห็นโลกอ่างแก่แฉ่งไม่งอเนียนคนแจนในโลกเพราะอะไรเพราะเราฝึกมาดีทำไม่สำเร็จไม่ความเพียนชอบ ฉันทะวิยากิตตวิมังสาเอาไปใช้กับอะไรก็ได้สําเร็จเหวเมีย ท, ทำต่อกันเลยถ้ามีใช่ถ้าใช่ธรรมะอย่างนี้หลักจากนี้ก็มีความสําเร็จฉันทะพอใจผหวเดียวเมียเดียววิยะเพียงประกอบต่อกันทําความดีต่อกันเรื่อย อะไรที่เป็นความดีทำใส่กันเรื่อยๆจิตต่อใจใส่ยอยู่เสมอไม่วางทิ้งไม่นอกใจเอาใจใส่ยอยู่เสม อ, มองบความเป็นใหญ่ให้อยู่เสมอชื่อสดอยู่เสมอวิมังสาดูเหตุดูผลอยู่เสมออะไรมันจะเกิดความ แต่แยกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีอยู่เสมอนี่ทํำได้สาเร็จการงานก็ทําสําเร็จทําอะไรก็สําเร็จที่ว่าทํามันทําให้เกิดความสําเร็จในโลกมีเท่านี้ไม่มีอะไรอีกเป็นหลักหลักแข่งขันกับโลกในโลกเขามีความสาเร็จต่างโลก มีหลักสูตรมีวิชาการทําให้วิชาการนั่นน่นเกิดความสําเร็จตามศาสตร์ต่างๆจํานี้จานาในศาสตร์ต่างๆในสาขาวิชาการต่างๆทำได้สําเร็จนักขับเครื่องมือก็ขับเครื่องวินได้สําเร็จซ่อมก็ซ่อมได้สําเร็จมันหลักๆทำในอะไรเป็นความสําเร็จได้ไปถึงความ ไม่เจ็บไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายทำอย่างไรจึงสำเร็จได้มีไหมแข่งกันกับวิชาศาสตร์ทางโลกได้ไห ม, ไมนี่แหละนี่ขันธทาอย่างที่เราสาธัยพระสูตรเนี่ยขันธวิ่าริยจิตตวิองศานภาษาบาลีขันธ์ทาคือพอใจเป็ียนประกอบสิ่งความดีตั้งไว้ไ<ป>ยังอกุศลที่ยังไม่เกิด อกุศลที่เป็นบาปนั้นไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นแต่ถ้าบอิใจที่จะสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ประคองไว้ไม่ตั้งอยู่ในกุศลนั้นมีสติไม่เลื่เดือนให้งอกงามให้ไปบุญยิ่งขึ้นเมื่อกุศลอื่น เมื่อกุศลมีกุศลนี่มีอยู่แล้วเขาไม่หลงมีอยู่แล้วเขาไม่ทุกข์ไม่โกรธมีอยู่แล้วกุศลเดิมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเป็นมากเป็นผนขึ้นมาถ้ากุศลที่เป็นหลงเป็นโกรธเป็นบาปาเกิดขึ้นแล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอีก <c oughs> เป็นเหล่าเป็นโอไปไม่เชื่อไม่สายไปไม่เชื่อโลก เราเชื่อโลกก็ขย้อยได้ง่ายโลกรูปโลกนามโลกโลกที่เป็นรูปที่เป็นโลกของรูปบางอย่างรักษาได้บางอย่างรักษาไม่ได้แต่โลกทางจิตใจนี่รักษาได้ รักษาได้อันนี้โรคอันนี้รักษาได้ไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายเไไพราะโรคอันนี้อันโรคที่มันเป็นโรคทางร่างกายนั่นมันเป็นรูปโรคมันเป็นก้อนโรคอันหนึ่งตื่นเยอะ กูเจ้าไม่เห็นโลกอันนี้ตื่นพุทธโธนี่ตื่นเห็นหลงก็ตื่นหลงเห็นโกรธก็เกินโกรธเห็นทุกข์ก็ตื่นทุกข์ไม่เข้าไปใกล้ไม่ให้มันคุ้นเคยไม่ให้มันมาแต่ต้องมันมีพิษนี่เรียกว่าโลกมันนี่โลกนามโลก โลกของกายโลกของลูกเป็นอันหนึ่งโลกของนามเป็นอันหนึ่งถ้ามีโล ก, โลกถ้ารักษาโลกของนามนามมาโลกได้โลกของกายก็ค่อยจะค่อยจะเป็นการเยียวยาหรือต้องกันได้ยาคนหมอ ถามคนป่วยเอาสมุเอาสมุทฐานเอาข้อมูลจากคนป่วยได้สนิฐานเ<ะ>ป็นโรคแบบนี้แบบนี้ใช้ยาแบบนี้แบบนี้นั่นก็รักษาได้แต่ลูกของสมุทรไทยคือโูกของนามโรคเนี่ยเขมีสมุทฐานมีเหตุ เมื่อมันหลงมันจะทุกข์จะโกรธเหตุมันขึ้นหลงโดยที่แก่หลงอันที่แก่หลงคือมีสติเปลี่ยนหลงไปไม่หลงสกัตตวะพุทธะตะตรังโอสัตถังมียาโอสถั ง, งวัตมะลังมีทั้งเตวุจังพุทธเตเขนาโสตินานาสัตตุปัทวาสเปตุขะเปปยาสเปโรขะ พระพุทเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์คือธรรมะพระธรรมะเจ้าเป็นเครื่องกําจัดทุกข์พระสงฆ์เจ้าเป็นเครื่องกำจุพุทโธทุกขสคาตาจ่ายทิขาตาจักวิตตจเมนะเอ้าสาเทประสูตรธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ธมโมทุกขสคาตาจักวิคาตาจายทิตจเมพระธรรมะเจ้าเป็นเครื่องกําจัดทุกข์ พระสง์คือเหมือนกันเป็นเครื่องกับจ <the> ัด no. ทุกข์เป็นไปพื่ปลี่ยนผ่านเป็นไปความสงบมันหลงเปลี่ยนหลงไปหลงกคำจัดมันโกรธเปลี่ยนโกรธไปโกรธมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์ไปทุกข์มันสุกเปลี่ยนทุขไปทุขด้วยสุกด้ะทุกข์ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลียนไปเราเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในข่าวเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครมีสติชัมาชัญญะมีความเพียรมี ขณะเวลาคิด ต, ตัดวิหองสามีทำนี้เป็นธรรมเป็นเครื่องมือใช้ได้เลยเยอยะแยะไปเลยเลยมีศีลก็มาช่วยสมาธิก็มาช่วยปัญญาก็มาช่วยศีลคือปกติมันหลงไม่ปกติข้อไม่หลงปกติศีลมาสมาธิคือมั่นใจตั้งมั่นอยู่เสมอ ทำอะไรก็ชัดเจนแม่นยาแล้วสมาธิบอกจากบ้า น, นปิดประตูหนะ้าตามสกุเจมีสมาธิปัญแจกจากกระเป๋ามีสมาธิเมื่อแม่นอนแล้วแม่นยมชัดเจนนี่สมาธิปัญญาโลอบลูกเข้าเดียวกันทต็ที่ทำสำเร็จตั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้ง กเพีนยนอะไรต่างๆกำมือเดียวนะไม่มากเหมือนพระเจ้าได้ชูไปไม่ขึ้นในป่ากำมือเดียวพิกิกต้องหลายไปไม้กนะำมือนี่ก็ไปไม้ทางป่าอะไรมากกว่ากันจนท่าทายแบบนี้ พระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าใบ้านในป่ามีจำนวนมากมไม้ในกำมือไม่สามารถเปรียบเทียบใบไม้ในป่าได้นี้และสิ่งที่เรามาสวมีเท่านี้กำมือเดียวเท่านี้อันมบไม้ทั้งป่าเป็นส่วนประกอบใหญ่ที่สุดคือสติสมปัะชฉัญญเาเหมือนลอยเท่าของช้าง ทำเมืนอนเนเหมือนเราเช่าของสัตว์อื่นรวมลงราที่เราเช่าของช้างได้เป็นความไม่ประมาทสติเป็นความไม่ประมาทมีสติเป็นนา่าโลกไม่เผลอเหมือนพระขีนาศกผู้มีสติเป็นวทนายขีนาศกคือพระอรหันต์ผู้มีสติอรหันต์ไม่ใช่หงอเหินเดินฟ้าไปไหนผู้มีสติหนา่าโลก นิสติก็อยู่โดยชอบตั้งแต่ความคิดชอบแล้วความมุ่งมิชอบแล้วผู้จ่าชอบแล้วการงานชอบแล้วการเลี้ยงชีพชอบแล้วความเพียรชอบแล้วตั้งสติไปชอบแล้วสมาธิชอบแล้วทั้งหมดไปได้เลยถ้ามีอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระลรหัน ที่สุดทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพลหันนี่นก็ไม่มีวิธีใดที่เราทำต่อกันโนชวนกันเจริญสติแบบนี้ลหละให้เราได้ปกป้องกินข้าวชาวบ้านถือผ้าชาวบ้านโดยพระลองตาเป็นนี่ประเทศชาติมากที่สุดเก็บแค่ได้ป่วยใช้เงินเป็นล้านล้านบาท ขอใช่นี่โดยการบอกการพูดจากนี้นะแล้วน่สมควรเจ้เวลากับพระพรอมกับ